คือมันไม่มีตัวเราจริงๆแต่แรกเลยแต่แรกแตั้งแต่แรกๆเลยคือจริงๆมันก็ไม่มีในทุกวันนี้ก็ไม่มีมันไม่มีตัวเราเลยตัวตนของเรามันไม่มีไอ้ร่างกายก็เป็นสิ่งที่แตกดับหมดไอ้จิตใจก็เป็นสิ่งที่ดับหมด มันตัวเราจ ร, จริงๆมันจริงไม่มีเลยมันก็มีแค่ร่างกายที่เป็นสังขารที่มันต้องแตกดับแล้วก็จิตใจก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแตกดับแล้วก็ความว่างความว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนไม้มีอะไรเลยเออมันมีแต่ความรู้ความรู้แจ้งรู้แจ้งอะรู้แจ้งอันนี้เรารู้อย่างโง่มันเป็นรู้แจ้งความรู้แจ้งมันมีรู้แจ้งความรู้จริงรู้แจ้ง รู้ที่หายโง่รู้ที่หายโง่คืออาวิชาดับความรู้แจ้งเอาวิชาดับคือมันเป็นธาตุรู้มันโดยธรรมชาติแต่แดิมันเป็นความรู้ที่รู้อะไรอ่ะมันก็มีแต่ความรู้ตัวตนมันตัวตนไม่มีท่านดูนะร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานักวิศาสตร์เดี๋ยวนี้เอาเครื่องมือมาตรวจสอบในร่างกายเราร่างกายเราเปลี่ยนแปลงทุกปรมาณูตลอดเวลาเลย คือร่างกายเราไม่เคยมีมีสิ่งใดคงที่จึงตัวตนที่คงที่จึงไม่มีสองจิตใจก็เอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาตรวจได้ว่าจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีจิตใจที่คงที่เป็นตรงตัวตนคงที่ไม่มีทั้งร่างกายจิตใจสองอย่างนี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนคงที่สามรู้ความรู้หรือเรียกว่ารู้หรือเรียกว่าวิญญาณวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยไม่มีตัวยิ่งไม่มีตัวตนใหญ่เลย มีแต่ความไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างเลยนะคือความไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้อย่างเดียวตัวตนไม่มีมีแค่สามอย่างนั้นในในตัวเรามีสาอย่าง<ๆ>พอมีสามอย่างนี้ที่ท่านผิดพลาดกันทั้งหมดคืออะไรท่านพยายามจะปฏิบัติให้ให้ตัวเราตัวเราไปเป็นอย่างไรพยายามปฏิบัติให้ตัวเรา ไปถึงอะไรพยายามปฏิบัติให้ตัวเราไปได้อะไรพยายามปฏิบัติให้ตัวเราเนี่ยบรรลุอะไรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสิ้นความเป็นตัวเราก็มันไม่มีตัวเราแต่แรกอะในร่างกายก็ไม่มีตัวตนของเราที่เป็นของเที่ยงจิตใจก็มีตัวตนของเราเป็นของเที่ยงธาตุรู้มันก็เป็นแต่ความมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีแต่เราหมาเมื่อกี้หมอจะจับไม่์่าเราจะต้องเพียนต่อไปเพียนพยามให้เราเนี่ยสิ้นความเป็นตัวตน ก็ตัวตนมันไม่มีมันในในสามอย่างในร่างกายของเราไม่มีตัวตนอยู่เลยมันจึงไม่มีทางเลยที่เราจะปฏิบัติยังไงที่ว่าจะให้ตัวเราเนี่ยไปถึงพระนิพพานให้ตัวเราไปได้พระนิพพานให้ตัวเราไปบรรลุธรรมให้ตัวเราไปรู้แจ้งให้ตัวเราสิ้นหลงให้ตัวเราว่างเปล่าจากตัวตนมันปฏิบัติผิดด้านหมดเลย เพียงแต่มันเปลี่ยนความเข้าใจเฉใหม่นั้นแหละว่าวราตัวเรามันไม่มีแล้วแหละร่างกายนี้ก็ก็ไม่ใช่ตัวตนที่คงที่ไม่มีตัวตนอยู่ทิ้งเพราะว่าร่างกายเนี่ยทุกปรัมณูมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวตนคงที่ธาตรู้ก็มีแต่ความรู้ตัวตนก็ไม่มีไม่มีแม้แต่ความรู้สึกว่าคือไม่มีตัวตนเลยมีแต่ความรู้อย่างเดียวและความรู้ก็ไม่มีตัวตนไม่มีอาการของความรู้ ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างสรุปแล้ว้งในร่างกายเราต้องสามอย่างนะร่างกายจิตใจแล้วก็จิตใจคือเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณแล้วก็ธาตุรู้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่เป็นแก่นสารที่เป็นแก่นเป็นแก่นเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนแต่เราปฏิบัติผิดพลาดคือเราปฏิบัติพยายามจะทําลายความเป็นตัวตน เแล้วคก็คือว่าเราเต้ยไปไหนอะตั้งทําทํางานเดี่ยเก็บเงนเก็บนที่เหมือนเราเอะอะไรไปะเราไปเริ่มตั้งผิดไว้ว่ามันมีตั้งแต่แรกนี่ไงพะหลวงตาบอกว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปหาทางทําให้มันไม่มีเออมันก็เป็นความรู้ที่เออมันมันมันมันมันพี่อีกหน้าหนึ่งครับหลวงตาพี่อีกหน้านึงว่าเออไอ มันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนี่หว่าแล้วที่มันทําอยู่นี่มันทําอะไรวะเนี่ยมันทําอะไรอยู่อเนี่ยก็มันไม่มีตัแต่แรกมันทําอะไรวะหรือมันเป็นอวิชามันเลยทํำไปเพราะมันไม่มีแล้วนี่หว่ามันทำทำไมมันก็ใช้ใช้กำแรงนั้นเองไม่งั้นมันไม่สะใจใช้กำแรงก็ได้ครับหมอเอายาหมอเทกำแรงก็ไม่มีอะไรครับก็คือแค่นี้ครับว่ามันมันมันมันก็โง่ไปว่ามันมีที่จริงมันไม่มีอยู่แล้ว แต่ในในในความรู้สึกอ่ะครับหลวงตาก็คือถ้ายังมีอาวิชาอยู่ในความรู้สึกก็คือมันมันมันมีถูกไหมฮะก็คือว่าถ้าก็เคือในความรู้สึกที่มันผิดอะครับในความผิดอะครับคือมันรู้สึกว่ามันมันมีแต่จริงจริงมันไม่มีแต่ว่าเราแต่เข้าใจผิดมาตลอดฝังว่ามันมีไอ้ความความเหมือนกับความเข้าใจผิดตรงเนี้มันเกิดเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้มาตลอดแล้วใช่ไหมครับดู่มานานหลายชาติแล้วก็รู้สึกว่ามันมี คือมันฝังมาในจิตว่าให้มันมีมาตลอดมันก็เลยไม่เคยเจอมันรู้เลยว่าจริงๆมันไม่มีจนวันจะต้องมาดูกันให้ชัดๆว่าจริงๆมันไม่มีคือมันฝังเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบมันตอกหมุดเอาไว้ตอกเสาเข็มไว้แล้ว่ามันมีอยู่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่มันมีมันมีมันมีคือมันทําอะไรมันก็มันมีมีมีตัวเราตลอดเวลาคือมันไม่ได้รู้เลยว่าไอ้ที่มันเสาที่มันต่อกมันไม่มีเราไปต่อกหรือไม่มีตัวเราเลยมันมันเก็ คือมันก็ต้องค่อยๆปล่อยวางได้เองเรื่อยๆค่อยๆคลายความโง่อย่างี้ใช่ไหมครับหลวงตาอันนี้จะค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นว่ามันมันไม่มีแค่ว่ามีไม่มีพอไหมครับไม่เอาแล้วเดี๋ยวอีตัวเราอีกตัวเราไม่ตัวเราคือคาว่าตัวเรามันก็ยังคือพอพูดคําว่าตัวเรานะครับมันมันมันมันก็เป็นเป็นตัวเราเลยมันมีมันไม่มีอะไรงนี้ไปเลยอาจจะง่ายกว่า เมืเ่อกี้หลวงตาบอกว่าเราปฏิบัติผิดด้านคือกลับข้างกันถ้าโยมจะถามว่าแล้วปฏิบัติถูกด้านคือการปฏิบัติอย่างไรก็ก็ไม่ต้องปฏิ บ, บัติเพราะว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกเพราะว่าเราเริ่มคิดว่าปฏิบัติคือเราจะเอาเราไปทําอะไรเพราะว่ามันความเข้าใจตรงตรงที่ว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกอ่ะถ้าเกิดเราจะจะกระดิกจะทาอะไรก็คือเราเรามีแล้วเราเลยต้องทําคราะฉะนั้นมันไม่มี ใช่ครัไม่ไม่ต้องปิดกันใดไม่ต้องมันต้องคอยเปิดหมาหมายถึงว่าเวลาที่ใครที่มารับฟังบอกไม่ต้องทําอะไรก็คือเขาบอกฮะมาฟังทําเพื่อไม่ต้องทําอะไรนี่มันก็ไม่ใช่คือพออธิบายไปว่าเนี่ยไปปฏิบัติผิดด้านที่ถูกด้านคือคืออย่างไรเนี่ค่ะก็ต้องขยายความของการไม่ทําอะไร ให้ให้รู้อีกว่าไม่ทําอะไรคือแบบไหนใช่ไหมคะหลวงตาแล้วอนาญารย์ลองอธิบายดูที่อาจารย์บอกว่าที่บอกว่าคําที่พูดของหลวงพ่ชาที่บอกว่าการปฏิบัติที่ดีที่สุดและรัดที่สุดหรือว่าเลิศที่สุดหรือว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยคือปฏิบัติอย่างไรที่หลวงพ่ชาเขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรก็อันเดียวกับที่หมอโอตพูดเมื่อกี้เนี่ย อนญาลงตอนนี้ฟังหมออดพูดเสร็จลงตาพูดแล้วหมออดถึงใจว่ายังไงอ่ะคือความเข้าใจของโยมก็คือการที่ว่าถึงใจว่ายังไงยะตอบอนญาที่มาที่ีไม่ต้องทำอะไรก็คือร่างกายมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันมีตัวปรงแต่งและตัวรู้อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเรา พลิกแค่จะรู้สึกว่าจะทําอะไรขึ้นมานิดเดียวก็คือเป็นการทําเพราะนั้นถ้าสักแต่ว่ารู้คือรู้มันไปซื่อๆอย่างนั้นก็คือการไม่ทําอะไรค่ะถ้าสักแต่ว่ารู้เนี่ยก็ยังมีเราไปรู้อยู่ค่ะก็คื อ, อจริงๆมันไม่มันจะเรียกว่าอะไรมันไม่มีตั้งแต่ต้นคือมันมีแต่ความรู้แต่มันไม่มีตัวผู้รู้แต่ถ้าเกิดว่าคือคือตรงนี้มันต้องระวังตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าไปไปมี ตัวขึ้นที่มันไม่สร้างความมีจากความไม่มีขึ้นมามันก็จะมีขึ้นมาแต่ปกติความไม่มีมันมันมีของมันอยู่แต่ว่าความเข้าใจผิดไปทำอะไรเกิดขึ้นมามันก็จะก็จะเมื่อไหร่มีการกระทาก็ต้องมีผู้กระทำและสิ่งที่ถูกกระทำมันก็เลยผิดตรงตรงที่มีตัวไปทาแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วที่มันรู้รู้อยู่นี่มันรู้อะไรก็คือมันมันไม่มีอะไรรู้อะไรมันมีแค่ว่า มีแค่ว่าเอาว่าแค่ว่ามีแค่ความรู้แต่ว่าไม่มีตัวผู้รู้ได้ไม่ำํำพูดไปพูดมาก็เอ๊ะตกลงยังไงเนี่ยไม่ฝูกใช้คำพูดถูกหรือเปล่าค่ะหลวงตาคืออย่างใจอ่ะค่ะมันเดิมแท้คือมันไม่มีอะไรแต่ทุกสิ่งที่มันเราไปรู้มันเป็นแค่มันเป็นแค่ เหมือนจิตมันมันเหมือนอยังไง呀อธิบายถ้าสมาถ้าอธิบายว่าใจคือร่างกายที่มันไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มอ่าสภาวะต่างๆก็คือเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเข้ามาใส่เราเดี๋ยวมันก็เราก็ใส่กางเกงแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดอันนี้ออกแล้วเราก็เอาเสื้อตัวใหม่มาใส่แล้วเราก็เอากางเกงตัวใหม่ถ้ามสมมติใจเราเห็นเสื้อผ้ามเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเองอะค่ะ ก็คือเราพยายามภาวนากันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นการกระทํำอะค่ะแต่พอมันเป็นความเข้าใจขึ้นมาแล้วอะค่ะมันจะไม่มีการกระทํามันคือแบบมีอะไรให้เรารู้ก็รู้มันไปเดี๋ยวพอมันบ่มยินรีย์เข้าใจแล้วแบบจิตมันก็จะยอมรับเองอ่ะค่ะแต่เราต้องพยายามแบบมีสติอย่างที่หลวงตาสอนนะคะมีสติเห็นสภาวะอะไรปุ๊บรู้ให้เท่าทันรู้แล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยค่ะ พอรู้มันไปเรื่อยๆเหมือนเราเห็นเห็นแบบดอกไม้ที่สวยงามบนต้นไม้ดอกหนึ่งเราไม่เคยเห็นมันเลยเราเห็นครั้งแรกเราสึกินดีตื่นเต้นแล้วก็บอกอ๋ออันเนี้ยเขาเรียกดอกชบาสีแดงสวยฟังแต่พอแบบอยู่มาวันหนึ่งเราไปเห็นมันซ้าครั้งที่สองอ๋ออ่ะเนะี่ยดอกชบาครั้งที่สามเราเห็นว่าอ๋อไม่เป็นชบา พอครั้งที่สใจมันก็จะวางเองออมันเป็นแค่ดอกไม้อะมันเป็นแค่ดอกชบ้าใจมันก็จะยอมรับเองค่ะเวลาเรามีสติเห็นสภาวะมันบ่อยๆอ่ะค่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่าค่ะคือมันวนไปวนมาเนี่ยถ้ามันไม่พ้นจากความเป็นตัวเราอะถ้ายังมีผู้ใส่เสื้อหรือผู้ถอดเสื้ออยู่มันก็ยังไม่หมดมันถ้ามันเปียกอะคะมันเหมือนดวงจันทร์แล้วเมฆอะค่ะ สภาวะต่างๆก็คือจันมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแต่เราไม่เคยเข้าไปในจันได้เลยเงี้ยค่ะเราทุกคนกำลังกำลังหาวิธีการที่จะอยากรู้ว่าจันร์เป็นยังไงเมฆมันก็คือมันทําหน้าที่ของมันคือลอยผ่านมาเหมือนใจเราค่ะลอยผ่านมาเราไปเห็นค่าปุ๊บมันบางเราเราอึดอัดทนไม่ไหวเราก็ดิ้นหลนหาวิธีการให้เมฆไปแต่จริงๆเดี๋ยวเมฆมันก็ไปของมันเองอ่ะค่ะถ้าเราแบบเห็นสภาวะนั้นบ่อยๆปุ๊บ ใจมันจะยอมรับเองมันจะไม่มีการกระทาอะค่ะแต่เราแรกๆเราต้องแบบมีสติที่หลงตาพยายามบอกว่าให้มีสติพอมีสติปุ๊บสมาธิมันมีปุ๊บมันมีกำลังก็จะเห็นเห็นครั้งแรกตื่นเต้นเห็นครั้งที่สองอะตื่นเต้นน้อยลงครั้งที่สามมันก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเองมันจะไม่มีการกระทําเลยค่ะมันต้องใช้ความสมั่นเสมอคือไม่รู้นะครับคคือผอมีความรู้สึกว่า ถ้ายังมีเราไปนั่งเฝ้าดูอะไรอยู่เนี่ยไม่ว่าอยากให้เมฆมันจะลอยผ่านไปเองหรือเปล่าคือยังมีตัวเราดูเมฆอยู่มันก็ยังไม่พ้นจากเราทีนี้จริงจริงมันคือเมฆมันก็มันก็เมฆนะแต่ตัวที่ดูมันก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรมาดูไม่มีไม่มีตัวดูก็คือก็คือที่อธิบายก็คือว่าอือ อธิบายคือว่าหนุเปียบแค่เปียบหมายถึงว่าใจคือดวงจันทร์ที่ผู้รู้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนทวนกระแสกลับอะคะ่ะให้เห็นดวงจันทร์มันเป็นธรรมดาให้เห็นเมฆหนูเปียบคือสิ่งถูกู้วอะคะ่ะเดี๋ยวมันมาผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่เราก็ต้องขอเมตตาครูบาอาจารย์นะคะว่าเราติดตรงไหนว่าอ้อตรงนี้เราติดอยู่แล้วเราก็น้อมท่านไปปฏิบัติอะคะ่ะ ถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าใจอ๋อเข้าใจมันยอมรับมันจะไม่มีคำถามเลยค่ะมันมีแค่ว่าอ๋อเข้าใจละอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็ไม่มีคำอธิบายได้ด้วยอะมันรู้อยู่กับใจตัวเองอะค่ะกรณีที่หนูมีความแบบติดตรงที่พอเห็นใจรู้ว่าชอบไม่ชอบเฉยหนูไปหมายเอาว่าไอ้ที่เฉยนัน่นเป็นใจอะค่ะ หลวงตาบอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นสิ่งถูกรู้อ๋อหนูก็อ๋อปัญญามันก็เลยว่าอะอ๋ะอใช่เข้าใจละแค่นี้ค่ะแน้วหนูกาเออพอเห็นอีกหนูก็ไ ม, ไม่ไม่หมายค่ามันว่าไอ้ที่เฉยนั้นเป็นใจอีกแล้วอ่ะค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหนูเข้าใจที่เข้าใจนะคะเข้าใจว่าที่หลวงตาพยายามสอนก็คือว่าให้เราอ่ะคะ่ะเห็นสภาวะอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ไปแทรกแซงมันนะคะ ทำหน้าที่เหมือนคนที่ดูบนอัศจรรย์ให้ได้อะค่ะแต่ครับผมขอนนี่เบียวสั้นๆว่ามันต้องไม่ต้องไปมีผู้รู้ได้ไหมคือไม่งั้นมันไม่จบเพราะมันก็วนอยู่ว่ามันต้องมีผู้ไปรู้ถ้ามีผู้ไปรู้ก็ต้องมีผู้ไปถึกมันมันต้องมีอะไม่งั้นเราเราไม่ต้องสนใจเลยมมันคือคืออย่างอย่างสมมติน้องพูดเงี้ยมันก็ผ่านก็ผ่านไปมันไม่ต้องมีผู้ไปรู้เราก็มันผ่านหรือมันไม่ผ่านไม่ต้องมีผู้ไปรองรับมันเพราะมันไม่มีอยู่แล้ว อัญญาว่าไงหลังหลังตั้งสองคนนี่เข้ามาร่วมที่ปลายได้นะเอาพี่มานั่งที่ปลายตรงนี้ก็ได้ร่วมที่ปลายอันญานะเอ้ยถึงใจไหมหลังโต้เอ้ยเดี๋ยวสามท่านนะวันที่หลังเดี๋ยวยายใครต่างฟังก่อนนะเดี๋ยวอะไรไเอาตัเอาโต้ก่อนเอาอัเด้ย ได้ไงเข้าใจไหมเนี่ยทีกเโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยผมเข้าใจก็คือว่ามันผู้รู้นี่ก็คือตัวปพงแต่งอย่างที่พี่หมอหมายถึงที่ว่ารู้ที่มันไม่มีอะไรเนี่ยก็คือตัวที่มันรู้ผู้รู้ตัวที่มันเห็นผู้รู้ว่ามันปพงแต่ง ก็คือเห็นตัวปรุงแต่งแต่ว่าพอเหมือนจะไปเห็นมันเนี่ยอย่างที่ผมปฏิบัตินะครับจะไปจะไปรู้ว่ามีผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเห็นว่ามีไอ้จะไปจะไปรู้ว่ามีตัวรู้ที่มารู้ผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปดูว่าเจอตัวผู้รู้เจอตัวรู้แต่มันเห็นผู้รู้ มันเลยรู้ว่ามีคนมารู้ผู้รู้อีกทีอะครับแล้วมันก็รู้ไปเลยเหมือนอยู่ดีๆมันก็รู้ว่าผู้รู้มาทํางานเหมือนมันอยู่ดีๆเราก็รู้ว่าเราเ อ, อ๋อคิดเรื่องนี้ละเราหมายเรื่องนี้รู้แม้กระทั่งตอนที่เราหลงมันก็รู้ว่าเราหลงแต่ตัวผู้รู้เป็นตัวหลง แต่ว่ามันก็มีรู้ว่ามารู้ว่าเราหลงเนี้ยแล้วก็ผู้รู้มันก็ทํางานอีกมันก็เห็นผู้รู้ทํางานตลอดเวลาไม่ไม่เคยหยุดเพียงแต่มันเหมือนมันเข้าใจว่ามีรู้มารู้ตัวผู้รู้ที่มันทํางานอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ไปคิดเดี๋ยวมันก็ไปอยากเหมือนต้องให้รู้เท่าทันตัวเราที่เป็นผู้รู้อะครับแล้วก็เท่าทัน รู้คือถ้าจะคือถ้ามันจะอ่านใจให้ขาดเนี่ยเหมือนตัวรู้ที่เป็นรู้เลยเนี่ยมันจะอ่านขาดหมดเลยมันจะรู้หมดเลยว่าเราหมายอะไรอยู่เราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวที่เราหมายไว้แหละที่จะพาให้เราไปเกิดต่อ ให้เราไปมีเป้าหมายที่จะไปทำอะไรต่อไม่ไม่หยุดให้รู้ที่มันเห็นมันก็เลยเห็นว่าไอตัวที่มีเป้าหมายเนี่ยชอบปล่อยมันไปไม่ไปเอามันมาทำต่อครับแต่ก็เห็นมันแต่ก็รู้มันก็รู้มันอยู่แต่ก็ แต่ธรรมชาติรู้ที่มันไปรู้ว่าเราบูงแต่งเนี่ยแต่ความเป็นจริงมันก็ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวเราจะบอกว่าเราไปละมันตอนแรกมันก็ละแต่มันก็รู้ว่าไอ้ตัวละก็คือตัวบูงแต่งอยู่ดีแต่ถ้าธรรมชาติรู้ว่ามันไม่ต้องละมันมันรู้ออกมันแล้วมันไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่เอาออกมันไปเลยแต่ว่ามันรู้ ที่ผมเข้าใจเนี่ยครับโอ้ว่าไงคือก็เอ่อคือรู้นี่คือเป็นตัวอ่านใจใช่ไหมครับนี้ถ้าเก็ดว่าถ้าเราหมายวม่าถ้ามั่นดีๆว่าจริงๆเครื่องอ่านมันก็ไม่มีมันก็ก็ไม่ไม่ไม่ เหมือนกับว่าไม่ไม่ต้องว่าต้องเป็นยังไงมันก็ถูกอ่านอย่างเดียวไม่ต้องมีเครื่องอ่านผมไม่รู้นะไม่คข้ารู้สึกว่าบางทีคืออาจจะเป็นผมเองนะครับบางทีผมอคำว่ารู้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเรารู้บางทีมันมีซ่อนอยู่เนี่ยเขาเปเราว่ารู้แต่ว่าค่อนข้างจะมาค่อยๆเข้าใจจากหลงตามากขึ้นนะว่ามันก็มี ก็มีการรู้อะครับแต่ว่ามันมันมันไม่ไม่มีใครเป็นผูร้รู้หรือไม่มีใครเป็นผู้ไปรู้อะเพราะว่าจริงๆมันมันไม่มีอยู่แล้วมันคือความรู้มันก็มีของมันไปนะว่าไอตัวที่จะมีความหมายว่ามีเราไปรู้หรือว่าเราไปเกี่ยวไว้ตลอดเวลามันมันไปสร้างมาจากความเข้าใจผิดก็คือผมก็ผมเองก็ต้องก็ต้องโยนีิสมองตัวเอง ก็คือเราก็ต้องอยนิสวรของเราเองว่าเราเร า, เราไปเป็นอะไรบ้างเมื่อไหร่เราไปเป็นอะไรก็ก็มันก็เป็นอวิชชาก็กลับลงตายผมเข้าใจว่าที่โมกพูดเนี่ยไม่เข้าใจยังงงๆเ็ไงก็งคื อ, อยังเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจเนาะ ก็ไม่ต้องไปหมายอะไรรู้มันก็ปล่อยมันก็รู้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราปล่อยวางหมดได้ไม่ได้หรอตูไม่ต้องพูดถึงรู้แล้วไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ถูกรู้วางหมดเลยแต่ไหปล่อยวางหมดเลยได้ไหมเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะไม่ต้องรู้แล้วก็ไม่ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหม คือไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ต้องพูดถึงผู้รู้เนี่ยจะได้ไหมวางหมดเลยวางผู้รู้แล้วก็วางสิ่งที่ถูกรู้วางหมดเดี๋ยวนี้ยังีะได้ไหมวางหมดแล้วดูตั้ทางตูจะหายเหนื่อยวางหมดรู้สึกหายเหนื่อยแต่ขนาดยังวางไม่หมดยังแอบแอบกลัวว่ามันจะไม่รู้อะไร คอยมากระตุกเรื่อยๆเลยครับออผมว่ากระตุกเรื่อยๆก็มีทุกคนนะมีทุกคนนะกระตุกเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเฮ้ยทำไหนได้กระตุกเรื่อยมันมีทุกคนเะโหลอือเถ้าเกิดปัญญามันไม่ช่วยอ่ะมันมันมันจะต้องกระตุกเรื่อยๆเออมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันจะไม่ยามวางหมดเพราะอะไรมันยังมีห่วงตัวเอง มันยังห่วงตัวเองมันจะมีห่วงตัวเองเออกลัวโง่กลัวหลงกลัวมีกิเลสกลัวไม่รู้นิพพานกลัวห่วงตัวเราเองมันเลยมีตัวเราอยืนพื้นในใจมันเลยไม่ยอมวางหมดเพราะมันห่วงตัวเองนี่เนี่ยตัวหลักก็คือว่าตัวหลงว่ามีตัวเราเนี่ย อ๋อแค่ห่วงตัวเองก็มีตัวเราอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับเช่นกันมันมันมันมั น, ม, น, ม, นมันก็เออห่วงเพราะว่ามีเรา <laughs> ก็มันวงว่ากลัวเราจะโง่อ่ะตัวเราจะโง่ เ, งเดี๋ยววางวาหมดเดี๋ยวก็ตัวเราจะไป ม, มีกิเลสก็ไม่มีตัวเราเลยตัวเราไม่มีอยู่ว่วาต้องรอบมากเลยว่าอย่างนี้ปัญญาต้องรอบมากเลยครับหลวงตามันมันมันหมายว่ามันอวิชาแทรกตลอดเวลยล่ะก็ที่คนเถียงที่บอกว่า ที่หลวงพ่อชาติบอกว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทำอะไรเยอะตัวเราโง่าตายเพราะว่าของท่านพูดแบบความไม่มีตัวตนมันจึงไม่มีตัวเราต้องไปทําอะไรแต่คนที่พูดเสียงนั่นคือพูดแบบความเป็นห่วงตัวตนกลัวตัวตนจะโง่ไม่ทําอะไรเดยอะๆมีกิเลสแต่ความว่าไม่ต้องทําอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่มีความรู้ รู้ว่าตัวตนไม่มีแล้วจะต้องไปทำอะไรไม่ใช่ว่าวางไปโดยไม่รู้อะไรวางไปอย่างตัวตนอยู่เต็มหัวใจเลยอันนั้นเนี่ยมันวางความไม่รู้ตัวตนยังเต็มหัวใจเลยยังไม่รู้เลยอธิท่านพูดดียคือความไม่ต้องทำอะไรอันนั้นนี่ยคือวิธีปฏิบัติที่รัดและสั้นที่สุดก็คือ ความจิินตัวตนถ้ายามาทยายามทาอะไรให้เป็นอะไรก็เพื่อตัวเราเท่านั้นแม้แต่ว่าบ่อยปล่อยวางรู้ใว้หมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ได้ปล่อยวางผู้รู้ได้ปล่อยวางเดี๋ยวนี้เลยมันก็แอ บ, บจะไปรู้เพราะว่ามันกลัวว่าตัวเราจะโง่กลัวว่าตัวเราจะไม่รู้กลัวว่าตัวเราจะมีกิเลสเห็นไหมถ้าดูสิเนี่ยมันตายทุกคน่ปฏิบัติได้มีตัวเราทุกคนเลยมันสอนอยังไงก็วนเวียน ไม่ว่าจะถามอะไรแงมุมไหนอ่ะถามก็หาตัวเองหมดเลย